ปฏิบัติธรรมะมีมากแต่ล้มลุกคุกคานกันไม่ว่าคนนั้นคนนี้หละหลวงพ่อก็เหมือนกันลุมลุกคุกคานมยนนะายาณเจวะหลวงพ่อไม่วางเพราะอุดมการณ์เรื่องนี้หลวงพ่อมั่นใจมากเลยมาทําที่วัดสนามไหนนี่เลยเพราาะว่เอากันที่ตรงนี้แหละให้เป็นสถานที่ปฏิบัติเป็นวัดปฏิบัติอะไรก็เป็นวัดบรรยายธรรมะบ้างเป็นวัดปฏิบัติบ้บางมาก่อน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 ที่วัดสุนทรานก็มีคุณวิโรจนี่แหละคนหนึ่งแล้วก็ใครหลายคนไปติดต่อให้มาดูวัฒนธรมไหนพอดีมาดูวัฒนธรรมไหนดูมีพระหลายองค์มาด้วยกันหกเจ็ดองค์มาดูว่าจะมาทําสถานที่ที่ตรงนี้แหละให้เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมรอบๆกับกรุงเทพเหรอเห็นเพราะว่าในกรุงเทพเนี่ยมัน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 ก็เลจบลงกันจกลงกันอยู่กันมานานพระทองล้วนก็เป็นคนบริหารงานทำไปอย่างนั้นอย่างนี้เดวก็ก็มาคอยดูกันสอนกันอยู่ที่ตรงนี้หลายคนอุดมการความเห็นไม่เหมือนกันแต่ยังไม่ได้เป็นวัดแต่เป็นสํานักปฏิบัติแล้วกัมีการเผยแพร่กันมากแล้วก็มีปุ่มศึกษาปฏิบัติธรรมเข้ามารวม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 พอได้ปฏิบัติธรรมะรู้แล้วหลวงพ่อก็เข้ามาเปิดอบรมที่บ้านบุ่ผมเป็นครั้งแรกที่สุดเป็นโยมเปิดอบรมสองปีบวชสอนอยู่ที่ตรงนั้นหลวงพ่อก็มาบวชถ้าบวชก็พยายามหาเพื่อนก็ได้เน น, เน้อยสองคนเนรพานุเขาเป็นเพื่อนต่อมาก็เลยมีเพื่อนมากเข้าก็เลยมาอยู่ที่ ป่าพุทธยานที่ยิ่งทะยุไรคูนี่แหละอยู่ที่ตรงนั้นอยู่ที่ตรงนั้นก่อนเลยก็มีหลายคนไปปฏิบัติธรรมะด้วยกันมาครับอาจจะเป็นผู้พระคำเสียนถระทองอย่างที่เราเรยาอาจารย์ทองทุกวันนี่แหละแล้วก็หลายคนจะเป็นรุ่นสองรุ่นหนึ่งเรานี้ยรุ่นหนึ่งรุ่นสองเราเนีปฏิบัติธรรมะ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 ก็เลยเพื่อนอาจารย์กันเลยแบเนี้ก็เลยมีอาจารย์บ้านหลวงพ่อไม่ค่อยมีอาจารย์แต่ก่อนมีแต่ครูบานั้นครูบานี้หลวงพ่อนั้นหลวงพ่อนี้เดี๋ยวนี้ก็มีนักศึกษาปริยตรีปริ ย, รยโทขึ้ออนอาจารย์นั้นอาจารย์นี้แพร่ขยา ย, ย, ายตัวไปถึงบ้านหลวงพ่อเรื่องอาจารย์หนึ่คนขับรถยนต์เพื่อนอาจารย์อย่นี้ยเป็นอย่างไงทาอะไรเป็นอาจารย์ทางนั้นโอ้อาจารย์นี่ก็ดี นี่สาคัญเรื่องสัมมาทิฏฐิของพวกเราให้เราเข้าใจว่าสัมมาทิฏฐิคือความเห็นท่อมิสษาทิฏฐิคือความเห็นผิดเนี่ยเราจำข้อนี้ไว้นะว่าวัดปฏิบัติก็ดีมากเลือกเอาเองและครูบาอาจารย์ก็ดีมากผู้ที่สอนกรรมาฐานเลือกเอาเอง ชอบใครต้องไปไม่ต้องเสียเวลาอันหลวงพอพูดให้ฟังตามบทจิตใจเดี๋ยวนี้วัดสนามไหนเป็นวัดนณะในบุญเยี่ยมเป็นวัดแล้วเดี๋ยวนี้มีสมภารแล้วมีเจ้าอาวาสแล้วเดี๋ยวแต่พอไม่มีสมภารต่คนที่จะบริหารวัดก็บริหารไม่ได้เพราะมันไม่เป็นวัดเนี่ยเเนี่ยจ้าไปค่อยมาก็าแย้งกันบัดนี้่อปัจจุบันเนี้ยเขาเรียกว่าพระทองอาร์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 ไม่ได้ยินจริงๆแต่ก่อนเรื่องศาสนาเนี่ยก็อนพุทธศาสนาเขาได้ยินแต่ไม่เข้าใจเรื่องบาปเรื่องบุญไี่ได้ยินแต่ไม่เข้าใจพอดีหลวงพ่อมาทำวิธีนี้หลวงพ่อเกิดทีความเข้าใจเกิดสำนึกขึ้นธรรมะคือตัวทุกคนเราต้องกล้าพูดกล้าสอนได้พอสอนคนให้คนรู้ธรรมะเท่า น, นั้นเองกล้าอย่างหลวงพ่อจึงมาต่ออย่างนี้หลวงพ่อจึงนิธีนี่ก็สาคัญ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 หาอาจารย์มาพูดมากๆบางคนบางคนต้องการเอาปริมาณมากๆไปเรบางคนต้องการคิดคนให้ได้ตัวจริงขึ้นมาเนี่ยอย่างนั้นมันไม่เหมือนกันเดียวมันล้มลุกคุกคานไปอย่างนี้พวกคุณพวกหนูมาปฏิบัติธรรมมาที่นี่ฟังแล้วคิดเอาเองมาจากพิุนโลกก็มีพระก็มีนามาที่นี่พระสององค์อย <บา S 1> ในแฝงตรงนี้น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 อยู่ด้วยสมาธิแล้วมันคิดขึ้นมาเรื่องคมหลงมก็ไม่มีเย่ยจ้ะวายิ่งทำก็ยิ่งรู้ยิ่งลงน้ำลึกเท่าใดก็ยิ่งเย็นเท่านั้นหลวงพ่อเข้าใจยังและไม่รู้เนี่ยเนี่ยมนพูดได้เนี่ยแต่ไม่รู้นี่แหละการศึกษาเราเรียนการอธิบายธรรมแต่อธิบายได้ไม่รู้หลวงพ่อเรียนอย่างเียแต่พอแม่เราให้ฟังเพื่อคนนั้น